ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิดกได้กล่าวแล้วว่าพระไตรปิฎกนั้นแบ่งออกเป็นวินัยปิดกสุดตันตปิดกและอภิธรรมปิดกโดยลำดับพระโบราณอาจารย์ป่ายไทยได้ใช้วิธีย่อหัวข้อสาคัญในแต่ละปิดกเพื่อจำง่ายเป็นอักษรย่อในการใช้อักษรย่อนั้นวินัยปิดกมีห้าคำ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 เรื่องพระมหากัสปะเรียกกัสปะสังยุตเรื่องอินทรีย์หรือธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเรียกอินทรียาสังยุตเรื่องมรคคือข้อปฏิบัติเรียกมรคสังยุตในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้นเจ6 2สูตรสำหรับการนับจานวนสูตรนี้กล่าวตามหลักสูตรของอัทธกถา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 เรียกทุกการนิบาทหมวดธรรมะสามข้อเรียกติดการนิบาทดังนี้เป็นต้นจนถึงหมวดธรรมะสิบข้อเรียกทัศกะนิบาทหมวดธรรมะเกินสิบข้อเรียกอติเรศทัศกนิบาศในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น9557สูตร5ขุคือขุทธกกนิกาย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 คือธรรมภาสิท์สั้นๆประมาณ3 0มร้อหัวข้อส่วนเรื่องพิสดารมีท้องเรื่องประกอบปรากฏในอัฏฐกถา 3. อุทานแปล ว, ว่าคาที่เปล่งออกมาหมายถึงคำอุทานที่เป็นธรรมภาสิทธ์มีท้องเรื่องประกอบเป็นเหตุปรารถบในการเปล่งอุทานของพระพุทธเจ้า 4. อิติวุตกะแปล ว, ว่า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 พาศิต์ต่างๆของพระเทระผู้เป็นอรหันตสาวก 9. เเถรีคถาพาษิทธ์ต่างๆของพระเทรีผู้เป็นอรหันตสาวิกา 10. ชาดกแสดงพาษิทธ์ต่างๆเกี่ยวโยงกับคำสอนประเภทเล่านิทานซึ่งท้องเรื่องพิสดารมีในอัตถกถ า, ธาเช่นเดียวกับธรรมบท1อ นิเทศแบ่งออกเป็นมหานิเทศกับจุลนิเทศคือมหานิเทศเป็นคําอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตานิบาตรวม16สูตรส่วนจุลนิเทศเป็นคําอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตานิบาตว่าด้วยปัญหาของมานพสิบ16คนกับคัคคาวิสานสูตรกล่าวกันว่าเป็นภาษิตของพระสารีบุตรเถระเจ้า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 กล่าวว่าห้านิกายนี้แหละจะเรียกว่าประมวลได้ครบทั้งสามปิดกก็ได้คือถือว่านอกจากพระพุทธวจนะที่อยู่ในสีนิกายข้างต้นแล้วพระพุทธวจนะที่เหลือจัดเข้าในขุตกรนิการคือหมวดเบตเต์เล็ดทั้งหมดคือทั้งวินัยปิดกและอภิธรรมปิดกจัดเข้าในขุตกรนิการทั้งสิน้นคาว่านิกายนี้ในที่นี้บางแห่งใช้คาว่าอาคมแทน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 ในที่นี้คือเอ่าธงสาราะนะครับคือธาตุถาว่าด้วยธาตุคือธรรมะทุกอย่างอาจจัดเป็นประเภทได้โดยธาตุอย่างไร 4. ปุคือปุคคลบัญญัติว่าด้วยบัญญัติหกประการเช่นบัญญัติขันบัญญัติอายตนะจนถึงบัญญัติเรื่องบุคคลพร้อมทั้งแจกรายละเอียดเรื่องบัญญัติบุคคลต่างๆออกไป